มตาิตาคตาวาระว่าด้วยสภาวะธรรมที่เป็นอดีตและที่เป็นอนาคตอนุโลมบุคคลร้อยสิบแปดอนุกา ย, ยสังขารของบุคคลใดเคยดับวจีสังขารของบุคคลนั้นก็จกดับใช่ไหมวิในพังค่าขณะแห่งปัจฉิมจิตที่มีทั้งวิตกและวิจารบุคคลผู้พร้อมเพลยงด้วยปัจฉิมจิตที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจาร ปัจฉิมจิตที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในลำดับแห่งจิตนั้นกายยสังขารของบุคคลเหล่านั้นเคยดับแต่วจีสังขารไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้กายยสังขารของบุคคลเหล่านั้นเคยดับและวจีสังขารก็จักดับปติวจีสังขารของบุคคลใดจักดับวิใช่อนุกายสังขารของบุคคลใดเคยดับ จิตตสังขารของบุคคล น, นั้นก็จักดับใช่ไหมวิในพังทขณะแห่งปัจฉิมจิตกายยสังขารของบุคคลเหล่านั้นเคยดับแต่จิตตสังขารไม่ใช่จักดับบุคคล น, นอกนี้กายยสังขารของบุคคลเหล่านั้นเคยดับและจิตตสังขารก็จักดับปฏิจิตตสังขารของบุคคลใดจักดับวิใช่ร้อยสิบเก Official. อนุว่าจีสังขารของบุคคลใดเคยดับ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 กายยสังขารในภูมิใดเคยดับอนุโลมมะปุขะโลกาฏร้อยยี่สิบเอ็ดอนุกายยสังขารของบุคคลใดในภูมิใดเคยดับวัตถีสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิในพังค ข, ขณะแห่งปัจฉิมจิตในกรมวจรภูมิบุคคลผู้เข้าทุติยชาญและตติยชาญกายยสังขารของบุคคลเหล่านั้นในชาญนั้นเคยดับแต่วัตถีสังขารไม่ใช่จักดับ บุคคลผู้เข้าปฐมฌานบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในกายปาวจรภูมิกายแสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับและวจีสังขารก็จักดับปาฏิวจีสังขารของบุคคลใดในภูมิใดจักดับกายแสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิวจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับ แต่กายสังขารไม่เคยดับบุคคลผู้เข้าปฐมฌานและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในกลามวจรภูมิวัติสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับและกลายยสังขารก็เคยดับอนุกายสังขารของบุคคลใดในภูมิใดเคยดับจิตสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิในพังค์ขาขณะแห่งปัจฉิมจิตในกลางมวจรภูมิ กายยสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับแต่จิตจสังขารไม่ใช่จักดับบุคคลผู้เข้าปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานและบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในกามวจรภูมิกายยสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับและจิตจะสังขารก็จักดับปฏิจิตจสังขารของบุคคลใดในภูมิใดจักดับกายยสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหม <ส wre>บุคคลผู้เข้าเจตุตฌานและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูม uh ิอรูปาวจรภูมิจิตตสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับแต่กายสังขารไม่เคยดับ <sh arp> บุคคลผู้เข้าปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในกามาวจรภูมิจิตตสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับและกายสังขารก็เคยดับร้อยยี่อนุ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 จิตตส kind of ังขารของบุคคลใดในภูม right ิใดจักดับวจีสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมวิในภูมิที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารจิตตสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับแต่วจีสังขารไม่เคยดับในภูมิที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์จิตตสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับแล้ววจีสังขารก็เคยดับปัจจินีกาบุคคล ร้อยี่สิบสอนุกายยสังขารของบุคคลใดไม่เคยดับวัจีสังขารของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับมีไหมวิไม่มีปฏิวัจีสังขารของบุคคลใดไม่ใช่จักดับกายยสังขารของบุคคลนั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิเคยดับอนุกายยสังขารของบุคคลใดไม่เคยดับจิตสังขารของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับมีไหมวิไม่มี ปฏิจิตตสังขารของบุคคลใดไม่ใช่จักดับกายยสังขารของบุคคลนั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิเคยดับร้อยยี่สิบสี่อนุวัจีสังขารของบุคคลใดไม่เคยดับจิตตสังขารของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับมีไหมวิไม่มีปฏิจิตตสังขารของบุคคลใดไม่ใช่จักดับวัจีสังขารของบุคคลนั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิเคยดับ ปัจเนกะโอกาสร้อยยี in ่สิบห้าอนุกายยสังขารในภูมิใดไม่เคยดับปัจเนกะปุคาโลกาสร้อยยี่สิบหกอนุกายยสังขารของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยดับไวจีสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิกายยสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับ แต่วจีสังขารไม่ใช่จักไม่ดับในพังคขณาะแห่งปัจฉิ ม, มจิตที่มีทั้งวิตกและวิจารในรูปราวจรภูมิและอรูปราวจรภูมิบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยปัจฉิ ม, มจิตที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารปัจฉิ ม, มจิตที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในลำดับแห่งจิตนั้นบุคคลผู้เข้าจตุจารย์และบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญัตต ภ, ภูมิ กายสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับและวจีสังขารก็ไม่ใช่จักดับปฏิวจีสังขารของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับ ก, กายสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหม <S <S วิในพังคขณะแห่งปัจฉิมจิตในกรรมวจรภูมิบุคคลผู้เข้าทุติยชาญและปฏิยชาญวจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับ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 วจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับและกายะสังขารก็ไม่เคยดับอนุกายะสังขารของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยดับจิตตสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิบุคคลผู้เข้าเจตุตชะฌาและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิกายะสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับแต่จิตตสังขารไม่ใช่จักไม่ดับ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 จิตตสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับแต่กายสังขารไม่ใช่ไม่เคยดับในพังคขณะแห่งปัจฉิมจิตในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิจิตตสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับและกายสังขารก็ไม่เคยดับร้ 127. อสิอนุว่าจิสังขารของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยดับ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 จิตสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับและวจีสังขารก็ไม่เคยดับนิโรธวาระจบ 2. ปวัตติวาระสอุปาทานิโรธวาระ หปัจจุบันเนวาระว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันอนุโลมบุคคลร้อยี่สิบปดอนุกายสังขารของบุคคลใดกําลังเกิดวจีสังขารของบุคคลนั้นก็กําลังดับใช่ไหมวิไม่ใช่ปฏิวจีสังขารของบุคคลใดกําลังดับกายสังขารของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิไม่ใช่อนุ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 จิตสังขารของบุคคลใดกำลังดับวจีสังขารของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิไม่ใช่อนุโลมะโอกาสร้อยสามสิบอนุกายสังขารในภูมิใดกำลังเกิดวจีสังขารในภูมินั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิในทุติยชาญและตติยชาญในชาญกายสังขารกำลังเกิดแต่วจีสังขารไม่ใช่กำลังดับ คำนอกจากที่กล่าวเหมือนกับคำที่ท่านกนําหนดว่าในภูมิใดอ น, นุโลมมปุคะโลกาฏรอ้อยสาสิบเอ็ดอนุการยสังขารของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดคําที่ท่านกนําหนดว่าของบุคคลใดก็ดีของบุคคลใดในภูมิใดก็ดีเหมือนกันปัจจน尼กะบุคคลร้อยสามสิบสองอ น, นุการยสังขารของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิด วจีสังขารของบุคคล น, นั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิในพังคขณะแห่งวิตกและวิจารณ์กายยสังขารของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่วจีสังขารไม่ใช่ไม่กำลังดับในอุปาทขณะแห่งจิตซึ่งเว้นจากลมอสสาสะปัสสาสะในพังคขณะแห่งจิตซึ่งเว้นจากวิตกและวิจารณบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญัตตภูมิ กายสังขารของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและวจีสังขารก็ไม่ใช่กำลังดับปฏิวจีสังขารของบุคคลใดไม่ใช่กำลังดับกายแสังขารของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิในอุปาทขณะแห่งลมอสสาสะปัสสาสะวจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับแต่กายแสังขารไม่ใช่ไม่กำลังเกิดในอุปาทขณะแห่งจิตซึ่งเว้นจากลมอสสาสะปัสสาสะ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 กายสังขารของบุคคลนั <vrai> ้น <pressed> ก็ไม <iste> ่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิในอุปาทัคกนาแห่งลมอาซาสะปัสสาสะจิตตสังขารของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับแต่กายสังขารไม่ใช่ไม่กำลังเกิดในอุปาทัคกนาแห่งจิตซึ่งเว้นจากลมอาซาสะปัสสาสะบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิจิตสังขารของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับ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 และบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอ ส, นสัญญสัตตภูมิวจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและจิตสังขารก็ไม่ใช่กำลังดับปฏิจิตสังขารของบุคคลใดไม่ใช่กำลังดับวจีสังขารของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิในอุปาทัคณะแห่งวิตกและวิจารณ์จิตสังขารของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับแต่วจีสังขารไม่ใช่ไม่กำลังเกิดในอุปาทัคณะแห่งจิต ซึ่งเว้นจากวิตกและวิจารณ์บุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัตและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิจิตตสังขารของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับและวจีสังขารก็ไม่ใช่กำลังเกิดปัจเจเนกาโอการ้อสามสอนุกายะสังขารในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดปัจจเนกาปุคะโลการ้อยสาสิบห้าอนุ กายะสังขาของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดคำที่ท่านกำหนดว่าของบุคคลใดก็ดีของบุคลบคลใดในภูมิใดก็ดีเหมือนกันในคำที่ท่านกำหนดว่าของบุคคลใดในภูมิใดไม่มีคำว่าบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติ ต ว, วาระว่าด้วยสภาวะธรรมที่เป็นอดีตอนุโลมบุคคล836ออนุกายยสังขารของบุคคลใดเคยเกิดวจีสังขารของบุคคลนั้นก็เคยดับใช่ไหมวิใช่พึ่งขยายอติตปุ ช, ชาให้พิจารณาเหมือนกันทั้งในอุปาทวาระนิโรธวาระและอุปาทานิโรทวาระ 3. อนาคตะวาระ ว่าด้วยสภาวะธรรมที่เป็นอนาคตอนุโลมบุคคลร้อยสามสิบเจ็ดอนุกายยสังขารของบุคคลใดจะเกิดวจีสังขารของบุคคลนั้นก็จกดับใช่ไหมวิใช่ปฏิวจีสังขารของบุคคลใดจะดับกายยสังขารของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิในอุปาทัคณะแห่งปัฏิมจิตของบุคคลผู้อุบัติอยู่ในปามมวจรภูมิ ปัิมจิตของบุคคลผู้อุบัติอยู่ในกลามาวจรภูมิจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในลำดับแห่งจิตนั้นปัจฉิมพวิกละบุคคลในรูบาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิบุคคลเหล่าใด จ, จากอุบัติในรูบาวจรภูมิและอรูบาวจรภูมิและปรินิพานกำลังจุติวจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นจักดับแต่กายสังขารไม่ใช่จักเกิดบุคคลนอกนี้ วจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นจับดับและกายสังขารก็จะเกิดอนุกายสังขารของบุคคลใดจับเกิดจีแตสังขารของบุคคลนั้นก็จับดับใช่ไหมวิใช่ปฏิจีแตสังขารของบุคคลใดจับดับกายสังขารของบุคคลนั้นก็จะเกดิดใช่ไหมวิในอุปาทัคณะแห่งปัจฉิมจิตของบุคคลผู้อุบัติอยู่ในกลางมวจรภูมิ ปัจฉิมจิตของบุคคลผู้อุบัติอยู่ในกูปบาลวจรภูมิจะเกิดในลำดับแห่งจิตใจในลำดับแห่งจิตนั้นปัิมพรวิกรบุคคลในรูปราวจรภูมิและอรูปราวจรภูมิบุคคลเหล่าใดจกอุบัติในรูปราวจรภูมิและอรูปราวจรภูมิและปริญิพานกำลังจุติจิตจสังขารของบุคคลเหล่านั้นจกดับแต่กายสังขารไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ จิตตสังขารของบุคคลเหล่านั้นจักดับและวกายสังขารก็จับเกิดร้อยสาสิบอนุว่าจีสังขารของบุคคลใดจักเกิดจิตตสังขารของบุคคลนั้นก็จับดับใช่ไหมวิใช่ปฏิจิตตสังขารของบุคคลใดจักดับว่าจีสังขารของบุคคลนั้นก็จับเกิดใช่ไหมวิในอุปาทัคขณะแห่งปัจฉิมจิต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 ปฏิวจีสังขารของบุคคลใดในภูมิใดจักดับกายสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิในอุปาทคณะแห่งปัจฉิมจิตของบุคคลผู้อุบัติอยู่ในกลามาวจรภูมิปัจฉิมจิตของบุคคลผู้อุบัติอยู่ในกลามาวจรภูมิจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในลำดับแห่งจิตนั้นบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิ วจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจัดับแต่กายสังขารไม่ใช่จักเกิดบุคคลผู้เข้ปาปฐมฌานและบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในกมามวจารภูมิวัจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจับดับและกลายสังขารก็จักเกิดอนุกายสังขารของบุคคลใดในภูมิใดจักเกิดจิตจสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมหวิใช่ปฏิ จิตตสังขารของบุคคลใดในภูมิใดจักดับกายยสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิในอุปาทัคขณะแห่งปัจฉิมจิตของบุคคลผู้อุบัติอยู่ในกาลมาวจรภูมิปัจฉิมจิตของบุคคลผู้อุบัติอยู่ในกามาวจรภูมิจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในลำดับแห่งจิตนั้นบุคคลผู้เข้าจะตุทะฌานและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิ จิตจสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจัดับแต่กายสังขารไม่ใช่จะเกิดบุคคลผู้เข้าปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานและบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในฟัลมาวจรภูมิจิตจสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจัดับและกายสังขารก็จักเกิดร้อยสี่สิบเอ็ดอนุว่าจีสังขารของบุคคลใดในภูมิใดจักเกิด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 จิตตสังขารของบุคคลเหล่านั้นในฌานนั้นจับดับแต่วจีสังขารไม่ใช่จักเกิดบุคคลผู้เข้าปฐมฌานบุคคลผู้อุบัติอยู่ในกลางมาวจรภูมิและบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิอา ร, รูปาวจรภูมิจิตแตสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจับดับและวจีสังขารก็จะเกิดปัจจ尼กะบุคคลร้อยสี่สองอนุ กายสังขารของบุคคลใดไม่ใช่จากเกิดไว้จีสังขารของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จากดับใช่ไหมวิในอุปาทัคณะแห่งปัจฉิมจิตของบุคคลผู้อุบัติอยู่ในกลางมวจรภูมิปัจฉิมจิตของบุคคลผู้อุบัติอยู่ในกลางมวจรภูมิจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในลำดับแห่งจิตนั้นปัจฉิมพวิสระบุคคลในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิและบุคคลเหล่าใด จากอุบัติในรูปราวจรภูมิรูปราวจรภูมิและปรินิพานกําลังจุติกายสังขารของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จากเกิดแต่วัถีสังขารไม่ใช่จากไม่ดับในพังคขณะแห่งปัจฉิมจิตที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์บุคคลผู้พร้อมเพียงด้วยปัจฉิมจิตที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณปัจฉิมจิตที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์จะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในลำดับแห่งจิตนั้น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 ผู้อุบัติ์ู่ในรูปาลวจรภูมิจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในลำดับแห่งจิตนั้นปัจฉิมภวิกรบุคคลในรูปาวจรภูมิป ร, รูปาวจรภูมิและบุคคลผู้จักอุบัติในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิและวปรินิพานกำลังจุติกายะสังขารของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักเกิดแต่จิตตสังขารไม่ใช่จักไม่ดับในพังค์าขณะแห่งปัจฉิมจิต กายสังขารของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักเกิดและจิตตะสังขารก็ไม่ใช่จักดับปาติจิตตสังขารของบุคคลใดไม่ใช่จักดับวิใช่ร้อยสสบสาอนุว่าจีสังขารของบุคคลใดไม่ใช่จกักเกิดจิตตสังขาร ข, ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิ ใ, ในอุปาทัคณะแห่งปัจฉิมจิตปัจฉิมจิตที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์จักเกิดในลำดับแห่งจิตใด ในลำดับแห่งจิตนั้นวจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักเกิดแต่จิตตสังขารไม่ใช่จักไม่ดับในพังค ข, ขณะแห่งปัจฉิมจิตวจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักเกิดและจิตตสังขารก็ไม่ใช่จักดับปฏติจิตตสังขารของบุคคลใดไม่ใช่จักดับวิใช่ปัจเนกาโอกาสร้อยสี่สิบสี่อนุ กายสังขารในภูมิใดไม่ใช่จากเกิดปัจเจเนกาปุขโรกาตร้อสี่หอนุกายยสังขารของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จากเกิดวัตถิสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จากดาบใช่ไหมวิในอุปทาทขณะแห่งปัจฉิมจิตของบุคคลผู้อุบัติอยู่ในกามาวจรภูมิปัจฉิมจิตของบุคคลผู้อุบัติอยู่ในกามาวจรภูมิ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 ในลำดับแห่งจิตนั้นบุคคลผู้เข้าเจตุทชาญและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญัตตภูมิกายะสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จากเกิดและวจีสังขาร ก, าไากาใใไ็ไม่ใช่จากดับปฏิวจีสังขารของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จากดับกายะสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จากเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้เข้าทุติยะชาญและตติยะชาญ วจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นในฌานนั้นไม่ใช่จักดับแต่กายสังขารไม่ใช่จักไม่เกิดในพังค์ฆะแห่งปัจฉิมจิตที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์บุคคลผู้พร้อมเพลงด้วยปัจฉิมจิตที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารปัจฉิมจิตที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์จะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในลำดับแห่งจิตนั้นบุคคลผู้เข้าเจตุตฌานและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิ